หลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตของชาวบ้านผู้เจริญงอกงามให้ก้าวไปในสัมปรายิกาถาซึ่งหมายรวมต่อไปถึงปรมาถะด้วยที่ตรัสเป็นหลักอยู่เสมอเป็นเชิงกากับคุมเรื่องการมาสุขไว้มีชื่อต่างๆแต่ชื่อที่เป็นหลักคือที่ตรัสว่าอริยสาวกและอริยสาวิกาจเจริญด้วยอริยวัตคือ ความเจริญงอกงามอย่างอริยชนห้าประการได้แก่ 1. สัทธาความทราบซึ้งมั่นใจในคุณพระรัต น, นตรัยซึ่งมีแกนอยู่ที่ตถาคะตะโพธิศัทธาคือศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของตถาคต ที่ทำให้มนุษย์เป็นพุท ธ, ธะเท่ากับมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่จะฝึกให้เลิศประเสรศิฐจนมีปัญญารู้แจ้งเป็นพุท ธ, ธะได้ข้อนี้นับเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพัฒนาชีวิต 2. สศีลความประพฤติดีงามดำเนินชีวิตที่ปลอดเว้นการเบียดเบียนโดยมีศีลห้าที่อาจพัฒนาสู่ศีลแป 3. สุตสะสดับฟังข้อมูลคำสอนหลักธรรมคำอธิบายที่จะนำมาไตร่ตรองพิจารณาวิเคราะห์วิจัยให้เข้าถึงความหมายโดยเฉพาะที่จะเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตให้ก้าวต่อไป 4. จา่าคะความมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละครองเรือนด้วยใจที่ไม่ตรณีคับแคบใส่ใจรับฟังทุกสุขของคน พร้อมที่จะให้ปัญช่วยเหลือหปัญญาความมีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงยังถึงสภาวะแห่งการเกิดขึ้นและความดับสลายทำให้สามารถลดละความชั่วร้ายกิเลสตั้งตัวไม่ได้และสามารถแก้ปัญหาทำทุกข์ให้สิ้นไปในห้าข้อนี้ที่ถือว่าจำเป็นจริงๆต้องมาเต็มชุดสี่ข้อคือ ศรัทธาศีลจาระและปัญญาส่วนสุตตะคือความรู้ข้อมูลก็ควรจะมียิ่งเป็นพระหูสูตรได้เรียนรู้มากก็ยิ่งดีแต่ถึงจะขาดไปก็พอยอมได้ถ้ามีปัญญาก็พึ่งพาสุตตะน้อยลงแต่ถึงเล่าเรียนนานมีสุตตะมากแต่ถ้าขาดปัญญาก็ไม่สำเริจผลปัญญาสำคัญที่สุด อย่างไรก็ตามรวมแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตศัพท์ว่าอาริยาวัดคำว่าวัดวเวนแมหานาคตาภูตเท้าสรอีนี้ถ้าแปลตรงสับแท้ก็คือกำไรในวัตถิสูตรอังคุตรนิกายทัศกานิบาทพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยสาวกที่จเจริญด้วยอริยาวัดสิบประการ เป็นฝ่ายที่ธรรมมิกะ5หข้อคือเจริญด้วยเลือกสวนไร่นาเงินทองธั ญ, ญชาติบุตรพันรยาคนรับใช้กรรมกรคนทำงานสัตวสีท้าวและคุมด้วยฝ่ายสัมปรายกตะห้าข้อคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาหลักธรรมว่าโดยการบริหารจัดการการมสุขและกามโภขะ ที่ว่ากระจายอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎกนั้นที่ตรัสยาวเป็นพระสูตรใหญ่ทีเดียวก็มีคือสิงคาละกะสูตรแสดงระบบการดำเนินชีวิตของหัตตชนทั้งส่วนตัวชุมชนและสังคมในพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นเนื้อความยาวถึงส4สี่หน้าพระอัตฐกถาจารย์อธิบายว่าพระสูตรนี้ตรัสให้เป็นขหิวินยัย คือวินัยชาวบ้านหรือแบบแผนชีวิตของอารยชนสิงคาละกาสูตรที่ว่าเป็นแบบแผนชีวิตของอารยชนนั้นถือตามพุทธดำรัสที่ตรัสตอนเริ่มต้นพระสูตรนั่นเองว่าอารยวินัยพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงด้วยคาถาแสดงหลักการสร้างความมั่นคงสามัคคีของสังคมที่เรียกว่าสังฆะวัตถุ4ประการ เท่ากับเป็นบทสรุปลงท้ายขอนำมาแสดงไว้เหมือนเป็นตัวอย่างดังนี้การให้ปันหนึ่งพูดอย่างรักกันหนึ่งการบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งความเสมอกันในธรรมทั้งหลายหนึ่งสข้อนี้พึงปฏิบัติให้เหมาะควรในบุคคลที่พึงส่งเคราะห์ด้วยธรรมทั้งสี่นั้นนั้นทำสี่ประการเหล่านี้แล เป็นหลักยึดเหนี่ยวใจคนในโลกเป็นเหมือนสลักรถที่เล่นไปอยู่ถ้าทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซสไม่ว่ามารดาหรือแม้นว่าบิดาก็ไม่พึงได้รับความนับถือหรือบูชาแม้จากการที่เขาเป็นบุตรแต่เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายเห็นตระหนักถึงสังฆธรรมเหล่านี้บัณฑิตเหล่านั้น จึงลุกถึงสถานะที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้อัหมูชนสันเสริญอย่างนี้ก็เป็นความสุขในระดับการมาสุขที่พัฒนาให้ประนีตขึ้นมาเหมือนเป็นช่วงต่อที่ประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมกำลังหนุนประโยชน์ขั้นสัมป ร, ราแต่ในกรณีทั่วๆ่วไปที่ทรงเทศนาสั้นๆประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมจะเน้นอยู่ที่เรื่องทรัพย์สินเงินทอง เพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของคราวาสีชนคนครองบ้านครองเรือนเป็นเรื่องที่คุมและคุ้มชีวิตด้านอื่นๆไว้ด้วยแทบทั้งหมดและเมื่อเห็นเฉพาะประโส์อย่างนั้นบางทีเลยเข้าใจไปว่าประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมคือทิฏฐธรรมมิกัะทะหมายถึงเรื่องเงินทองเท่านั้นในที่นี้จะนําพุทธพจน์ในเรื่องนี้มาแสดงไว้เล็กน้อย พอให้เห็นตัวอย่างที่ประโยชน์ขั้นทิ่ฐธรรมเน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็โยงต่อขึ้นสู่ประโยชน์ขั้นสัมปราาไปเลยแต่ก่อนจะไปที่พุทธพจน์เ่นนั้นขอยกพระสู่รสั้นๆมาให้ดูพอให้เห็นกรณีที่ประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมหมายถึงการมาสกุด้านอื่นที่ไม่ใช่เงินทองซึ่งในกรณีนี้เป็นการบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพร่างกายดังนี้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระนครสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระสุธาหารหุงด้วยข้าวสารหนึ่งทนานครั้นสเสวยแล้วทรงอึดอัดเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณนะที่ขวนส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าประสณนติโกศลเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ทรงภาสิทธิพระกาถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้มีสติอยู่เสมอได้อาหารมาก็รู้จักประมาณจะมีเวทนาเบาบางแก่ช้าครองอายุอยู่ได้ยืนยาวสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศ ยืนอยู่เบื้องพระปริสดารของพระเจ้าประสเนธิโกศล์ลำดับนั้นพระเจ้าประสเนธิโกศนได้ตรัสกับเขาว่ามานี้แนะสุทัศนเธอจงเรียนคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาเราบริโภคอาหารเราจะให้เงินค่าอาหารแก่เธอวันละหนึ่งรกหาปณะนะทุกวันสุทัศนมานบรับสนองพระราชาดำรัส ของพระเจ้าปเสนทิโกศนว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าข่าเขาเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วในเวลาที่พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกรยาหารก็กล่าวว่าบุคคลผู้มีสติอยู่เสมอได้อาหารมาก็รู้จักประมาณจะมีเวทนาเบาบางแก่ช้าครองอายุอยู่ได้ยืนยาว ครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกสนยั้งพระองค์มาโดยลำดับจนทรงอยู่โดยมีพระกยาหารหนึ่งทนานเข้าสุขเป็นอย่างมากในการต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเป่าคล่องแคล่วดีได้ทรงรูปพระวรกายด้วยฝ่าพระหัตแล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ณเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์สองอย่างครบหมดเลยหนอทั้งประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมและประโยชน์ขั้นสัมปราคพระสูตรต่อไปนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมด้วยการบริหารจัดการกามโภคะและกามสุขในแง่ที่เน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองซึ่งเมื่อสังเกตให้ดีจะเห็นว่าโยงต่อขึ้นสู่ขั้นสัมปราคาด้วยเช่นกัน พึงสังเกตด้วยว่าพระสูตรนี้ตรัดแก่อนาถบินทิกะเศรษฐีซึ่งเป็นโสดาบันบุคคลและน่าสนใจมากว่าในสุขสามข้อต้นทรงใช้คำว่ากุลบุตรแต่ในสุขข้อ 4, สี่ทรงเปลี่ยนเป็นอริยสาวกคือขึ้นสู่ระดับสัมปราาข้อความในพระสูตรมีดังนี้ครั้งนั้นแหละ ท่านอนาถบินทิกะกฤหาบาดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาติกวรข้างหนึ่งครันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระระกฤหาบาดีสุขสี่ประการนี้อันกฤหัตผู้บริโภคามพึงได้พึงถึงอยู่เสมอเสมอกล่าวคือหนึ่งอัติสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์สโพคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 3. อนาณาสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 4. อนวัชชสุขสุขเกิดจากอนวัชกรรมข้อหนึ่งดูกระครหบดีก็สุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉไ คือกุลบุตรมีโพคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำเป็นของชอบทมได้มาโดยทมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัดว่าเรามีโพคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำ เป็นของชอบธรรมได้มาโดยรรมนี้เรียกว่าอัติสุขข้อสองดูกระกระระ บ, บดีก็สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นชนหะนคือกุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลายด้วยโพคะที่หามาไ ด, ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันเก็บรวบรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโผขสุข ข้อสดูกระกระหะ บ, บดีก็สุขเกิดจากความไม่เป็นนี่เป็นชไหนคือกุลบุตรไม่ติดนี่สินไรๆต่อใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่าเราไม่ติดนี่สินไรๆต่อใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอ น, นัสุข ข้อสดูกะระเครือบดีก็สุขเกิดจากอนวัชกรรมเป็นชไหนคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ดีงามไรโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ดีงามไรโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ดีงามไรโทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรม ประกอบด้วยวจีกรรมประกอบด้วยมโนกรรมที่ดีงามไรโทษนี้เรียกว่าอนนวัตชสุขเมื่อตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นนี่แล้วคนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อมองเห็นแจ้งชัดเขามีปัญญาดีย่อมรู้ถึงทั้งสองส่วนเทียบกัน แลเห็นว่าความสุขสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของความสุขที่เกิดจากอนวัตกรรมอนวัชกรรมคือการงานที่ไม่มีโทษเช่นรักษาอุโบสถช่วยเหลือรับใช้ปลูกสวนปลูกป่าสร้างสะพานเป็นต้นขอให้ดูอีกพระสูตรหนึ่งคือทีฆานุสูตร อังกุตรรณิกายอัตกนิบาตคราวนี้แยกชัดโดยตรัสขั้นทิฏฐธรรมจบแล้วจึงต่อด้วยขั้นสัมปราคาที่ตามมาทั้งเพื่อเสริมค่าและควบคุมตามเรื่องว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวโกริยะชื่อกักราปต์ใกล้เมืองโกริยะโกริยะบุตรชื่อธีชานุ ซึ่งบรรพบุรุษของทีาชานุนั้นเกิดในทางเสือผ่านเพราะฉะนั้นคนในตระกูลนั้นเขาจึงเรียกกันว่าพยักกรปัตทีาชานุเข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามดังความต่อไปนี้ทีาชานุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นครืหัดผู้บริโภคามนอนมีบุตรเบียด ใช่ไม้จันทร์แคว้นกาสีทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลยังยินดีเงินทองอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทิฏฐธรรมเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราถิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระพยักปัด ทำ4ประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธรรมแก่กุลบุตรกล่าวคืออุทธานสัมปทาอารักกสัมปทากัลยานมิตตาสมชีวิตาอุทธานสัมปทาเป็นไนคือกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรมก็ดี พาณิชยกรรมก็ดีโครักกรรมก็ดีราชการทหารก็ดีราชการพลละเรือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอเป็นผู้ขยันจำนิชำนานไม่เกียจคร้านในงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนตรวจตรารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทำสามารถจัดการ นี้เรียกว่าอุตฐานสัมปทาอารักกสัมปทาเป็นไนคือกุลบุตรมีโภกรัพั์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมขึ้นมาได้ด้วยกำลังแขนอย่างอาจเงือต่างน้ำเป็นของชอบทำได้มาโดยทำเธอจัดการรักษาคุ้มครองโภกรัพั์นั้นโดยพิจารณาว่า ทำอย่างไรราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรจะไม่พึงลักไปเสียไฟจะไม่พึงไหม้เสียน้ำจะไม่พึงพัดพาไปเสียทายาทอับปรีจะไม่พึงผลานไปเสียนี้เรียกว่าอารักษาสัมปทากัลยาณนามิตรตาเป็นไนคือกุลบุตร เข้าอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตามเธอเข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับท่านที่เป็นข้าบดีบ้างบุตรข้าบดีบ้างพวกคนหนุ่มที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างคนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญา เธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศรัทธาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยศีลศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียบพร้อมด้วยจาระของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยจาระศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่ากัณยาณมิตรตาสมชีวิตาเป็นไน คือกุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้ฟืดเคืองเกินไปโดยรู้เข้าใจทางเพิ่มภูนและทางลดถอยแห่งโภกระทรั์ว่าทำอย่างนี้รายได้ของเราจึงจะเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจึงจกไม่เหนือรายได้เปรียบเหมือนคนช่างตาช่างหรือลูกมือคนช่างยกตาช่างขึ้นแล้ว ย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้นหรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากกุลบุตรนี้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตฟุงเฟอ้อก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้กินใช้ทรัพสมบัติเหมือนคนกินมาเดือถ้ากุลบุตรนี้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่เมื่อกุณบุตรนี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะนี้จึงเรียกว่าสมชีวิ ต, ตาดูกระพยักปัดโคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอบายมุขคือช่องทางเสื่อมสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนัน มีมิดชั่วสหายชั่วฝักใยในคนชั่วเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำแหล่งใหญ่มีทางน้ำไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางหากคนปิดทางน้ำเข้าเสียเปิดแต่ทางน้ำออกอีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นเป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียว ไม่มีความเพิ่มขึ้นได้เลยดูกระพยักปัตโภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอายมุข ค, คือช่องทางเพิ่มพูนสี่ประการคือไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันมีมิตร ด, ดีมีสหายดีใฝ่ใจในกันลยาณชนเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ําแหล่งใหญ่ มีทางน้ำไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางหากคนเปิดทางน้ำเข้าปิดทางน้ำออกและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มขึ้นอย่างเดียวไม่ลดน้อยลงเลยดูกระพยกระปัดทำสี่ประการ น, นี้แหลเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในทิฏฐธรรมแก่กุลบทดูกะระพยัคฆบัตทำสีประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราแก่กุลบุตรกล่าวคือศรัทธาสัมปทาสีลสัมปทาจาคะสัมปท า, า, าปัญญาสัมปทาศรัทธาสัมปทาเป็นไนในข้อนี้กุลบุตรมีศรัทธา คือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณนะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาเป็นไนในข้อนี้กุลบุตรเป็นผู้งดเว้นจากปานาทิบาตจากอาทินนาทานจากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมา คือสุราไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื้อเรียกว่าสีละสัมปทาจาคสัมปทาเป็นไนในข้อนี้กุลบุตรอยู่ครองเรือนโดยมีใจปราศจากมนทินคือความตระณีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละเต็มที่มีมือที่แบกหมายถึงพร้อมที่จะให้ยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการเจื อ, อาจานแบ่งปันนี้เรียกว่าจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นไนในข้อนี้กุลบุตรเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยอริยปัญญาที่ยังถึงอุทัยและอัศดงจำแรกเรื่องได้ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยถูกต้องนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา ดูคระประยัดกระปัดทำสี่ประการนี้แลเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในสัมปราแก่กุลบุตรผู้ขยันหมั่นในงานไม่ประมาทรู้จักจัดการเลี้ยงชีวิตพอดีทรัพที่หามาก็รู้จักดูแลรักษามีศรัทธาพร้อมด้วยศีลรู้ความต้องการทันคำคนปราศจากความตรณี จำระทางสัมป ร, ราให้เป็นความสวัสดีไว้ทุกเวลาทำแปดประการดังกล่าวนี้ของคนครองเรือนผู้มีศรัทธาอันพระผู้มีสักจิเป็นพระนามตรัสว่านำสุขมาให้ทั้งสองสถานทั้งประโยชน์ทิฏฐธรรมและความสุขสัมป ร, ราแล่ด้วยประการดังนี้จากระธรรมและปวงบุญก็จะเจริญเพิ่มพูนแกเหล่าเครหัดทั้งหลาย ชาวบ้านหรือคฤหัสทั้งหลายแม้จะยังอยู่กับการมาสุขเมื่อบริหารจัดการการมโภคให้เป็นประโยชน์ที่จะทำได้และไม่ลืมที่จะทำความคุ้นเคยไว้กับประโยชน์สุขสำปราก็มั่นใจได้แน่นอนว่าจะมีชีวิตดีที่จเจริญงอกงามมีความสุขอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งช่วยรักษาสังคมให้สุขสวัสดีจเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน